أعوذ ب ا ل له من الشيطان الرجيم بسم <c> الله <oughs> الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى ม ل ه وصحبه ้ ج م ع ي ن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم رب ش ر ح لي صدري و ي س ر لي أمري وأحلل أ وأ ي ي ق د ة م ل لساني قو قولي اللهم ا ن ف ع ن ا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا ظ ل م ن ا أنفسنا อิลลัม توفر لنا وترحمنا لنا كونن من الخاسرين وبنائتنا من لدٍ ترحمتنا حي لنا من أمرنا رشدا الحمد لله الحمد لله سورة الزخرف ใกล้จะจบแล้วนะครับน่าจะเหลือคืนนี้อ <Essential> ีกคืนนึงแล้วก็อีกตอนเดียวอินชาอัลล์ท่านนรับด ا ن พอดี ุ illah, วันนี้เราจะเริ่มอ่านตั้งแต่อายัตที่67 67ไปจนถึงอ80นะครับเราอ่านครึ่งหนึ่งแต่ว่าอธิบายทั้งหมดนะครับเราอ่านซัก67ถึง73นะครับประมาณ 1, 2, 3, 4นะอายัตไม่ได้ยามาก أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ا الأ ل ลรจิมอาบูดุลลาห์อ ئ ลอาคล م าอูยูมาอิดินบางจ إِل ิบางอินอาด <ت ص في ق> يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ا ل َ ذ ي ن َ آمَنُوا ب ِ آ ي ا ت ن َ ا و َ ك ا ن ُ و ا م ُ س ل ِ م ِ ي ن б د д خ ل و ل الجنة أنتم وأزواجكم تفرح ي ط ُ ط ا ف ُ ع عليهم َِ بصحاف ٍِِ من ِ دهب َ واتواب َ أ َ وفيها ََ ما تش เทหิลอัฟซุและละ ظلأعي ล وأمّن فيها خالد تلك الجنة التي أورثتمها و بما كنتم تعملون เล่าค ي ณฟีเฮาคิเหตุมีน่าต ل ลุ้อ เราบอกแล้วนะครับว่าเรื่องราวการพูดคุยการสนทนาเจราจาการโตเถียงการตอบโต้กันระหว่างมุชริกีนกับท่านนาบีสุลต่านยกอ้างหลักฐานต่างๆในดุน ي ة จบและสุดท้ายองค์มุชริกีนเป็นอย่างไรไม่ยอมรับไม่เชื่อฟังดือด้านอยู่ดีดังนั้นถึงเวลาที่ Allah سبحانه และ تعالى จะพูดถึงไม่มีในเมื่อดุนยานี้จบแล้วภรารกิจการด่าวาการเชิญชวนจบแล้วก็ไม่เหลืออะไรละคนเหล่า น, นี้เนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากรอการมาถึงของวันเกี ย, ยร์มา al-yom zuru n ล i l a s เหลือแค่วันเกิยรมัดวันเดียวแล้วที่จะได้พิสูจน์ให้คนเหล่า น, นี้ เจอจริงๆกับสิ่งที่ท่านนาบีพยายามจะเรียกร้องพวกเขาแต่พวกเขาไม่ยอมไม่ยอมเชื่อในวันเกียร์มัตนั้นเกิดอะไรขึ้นนี่แหละคือสภาพของวันเกียร์มัตเอาล่ะแต่เรากำลังจะพูดให้ฟังเกี่ยวกับสภาพของวันเกียร์มัตให้คนเหล่านี้ได้ตระหนักเผื่อว่าพวกเขาจะกลับตัวกลับใจยอมศรัทธาอัลอาคิลลาอูยามาอิซิน บางทุ uh um ad ad ่มลีบางทุ่มอดุนอัลลัตติกีดคนที่เป็นอัคิ์ลาหมยถึงเพื่อนสนิทเป็นขลีลคนที่สนิทกันอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยไปไหนไปด้วยกันทำอะไรทำด้วยกันรู้จักกันโอ้โหมาชาอัลลอฮแต่พอถึงวันเกียรติไม่มองหน้ากันนะครับอย่าว่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันเลยสามีภรรยา รักกันลูกกับพ่อแม่ต่างคนต่างหนีกันนะในวันกียรตินะแต่เอามิสหายมาพูดในอายัดนี้เนี่ยมันมีในยะเพราะว่าคนที่ต่อต้านท่านนาบีสุลตานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกที่เป็นพวกเดียวกันตอนที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยจับมือกันจับมือกันทาอะไร จับมือกันต่อต้านท่านนบีสุลต์ละสัลลัมรักกันในดุนยาเพื่อที่จะไปต่อต้านอัลลอฮ์สุลต์ละสัลลัมคนที่จับมือกันในโลกดุนยาเนี่ยนะพอถึงวันอาคคีรอต่างเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเริ่มตั้งแต่หัวหัวของมันก็คือชัยตอนละนะทุลละอะไรอันดับแรกเลยชัยตอนจะประกาศเป็นศัตรูกับคนที่ตามมันทุกคน บอกวันนี้ไม่เอาวันนี้ตัวใครตัวมันตอนที่อยู่ในดุนยาเนี่ยพวกเจ้าจะพวกเจ้าตามฉันเนี่ยฉันไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ได้ให้ตังใช่ตอนให้ตังเราไหมใ <c oughs> ช่ตอนให้อะไรด h อ o ต t c o m e ใช่ตอนบอกว่าฉันเนี่แค่บอก p a ต t จ j a b t u m l แล้วพวกเจ้าก็ตามตามนี้ฉันบอกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในวันขีดอัตัวใครตัวมันมาอันบิมุสลิกคุ่มว่ามาอันตุมบิมุสลิคีวันนี้ฉันช่วยช่วยเจ้าไม่ได้ พวกเจ้าก <OR S> ็ช่วยฉันไม่ได้เพราะฉะนั้นมิตรสหายเนี่ยจะกลายเป็นศัตรูกันอัลอคิลัอูยมาอิดิบาดุฮุมลิบาดิอดอบูจฮัลที่เคยเป็นมิตรกับอบูละฮับอัลวาลิดอิบุกีรอิ์ตบินุรบีอะหักเรชเนี่ยสนันนโลกดุนยาเมตตานั้นนบีถึงวันอัคราเป็นศัตรูสงกันแลกันคนที่จะไม่เป็นศัตรูกันนั้นมีพวกเดียวเท่านั้นซึ่งอัลลอฮละให้คายกเว้นตรงนี้ อิลล์ลมุตักฺ ن, นยักเวนบันดาคุสัตถาพุยมตรงคงที่มีความยมตริงตาอัลลอฮฺซุบฮฺฮานวะาลอิลล์ลมุตักฺนฟะอินน์สัดะตฟเนียธรรมฟะอุมหฟิอาครการที่เราเป็นเพื่อนกันในโลกดุ نية ระหว่างผู้ศรัทธานะแต่ไม่มีปร n โยชน์ถึงอาคีรอใช่ไหมครับอ่าคนที่ไม่ศรัทธาเป็นเพื่อนกันในดุเนียไม่มีประโยชน์ในวันอคร แต่คนที่เป็นผู้ศรัทธาถ้าเขารักกันในดุนยาเป็นเพื่อนกันเนี่ยความดีงามที่เขาเป็นเพื่อนกันในดุนยาเนี่ยมันจะส่งผลเป็นวันอะเคโรด้วยตัวอย่างเช่นหนึ่งในจํานวนคนที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของล่องสุภาเนาตาลาจําพวกเจ็ดจำพวกทั้งหมดใช่ไหมครับหนึ่งในจํานวนเจ็ดจำพวกนั้นก็คือคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์คนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์ แล้ต่ลรจะให้อยู่ในภายใต้ร่มเงาของพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนจะเป็นศัตรูกันหมดยกเว้นผู้ศรัทธาเจอหน้ากันอาจจะช่วงตอนที่สอบสวนกันเนี่ยอาจจะหนีกันก่อนไม่มีใครพึ่งใครได้แต่พออยู่ด้วยกันแล้วก็ยังไม่ได้เป็นศัตรูไม่ได้เป็นศัตรูกันอยู่ด้วยกันภายใต้ร่มเงาของ Allah subhanahu wa taala la ilaha illallah เพราะฉะนั้นรักษ า, มาเมล็ดพันธุ์แห่งอิมรันของเราให้ดี เพาะปลูกฟูมฟักรดน้ําอิมานของเราให้มันงอกเงยเป็นมุตสกีนให้ดีความรักของเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความตักกว่ารักกันในโลกดุนยาด้วยความตักกว่าพอถึงอาคีรัสมันจะมีประโยชน์ในวันที่เราต้องการต้องการสิ่งดีๆต้องการความช่วยเหลือจะลอสบานเอาตาละอันนี่คือความพิเศษของการเป็นพี่น้องกันบนพื้นฐานแห่งความเป็นผู้ศรัทธานะครับ เพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะกันเลยระหว่างพี่น้องกันเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยาทะเลาะกันก็ต้องอภัยซึ่งกันและกันก่อนที่เราจะเสียชีวิตมาชาอัลลอฮฺเพราะฉะนั้นลองคิดดูสภาพของคนที่เคยเป็นเพื่อนกันในโลกดุนยาพอไปถึงวันอัคคีรอไม่มองหน้ากันความกลัวจะมีแค่ไหนความกังวลไม่มีใครจะช่วยใครได้อ่ะตัวใครตัวมัน่ะใครจะช่วยใครในวันอัคคีรอไม่มีใครช่วยใคร ผู้ศรัทธาเองก็รู้ว่าไม่มีใครช่วยใครได้แต่ Allah Subhanahu Taala ปลอบโยนพวกเขาเนี่ยยา عباد ีละ خوفعليكماليومولاأنتمتهزنون อ่าว่าของฉันทั้งหลายเรียกใครครับเรียกผู้ศรัทธาเรียกบรรดาคนที่มีความตักกวานี่แหละอาจจะมีความกลัวเห็นความน่าจะปรุงกลัวต่างๆนั้นอาจจะเป็นกังวลก่อนที่จะมีการสอบสวน กังวลทุกคนก็กังวลไม่มีใครนะไม่มีใครรู้สึกว่าจะมีบางระยะที่บอกว่าไม่มีใครที่ตื่นขึ้นมาจากหลุมฝังศพเพื่อที่จะไปชุมนมต่อหน้า Allah ยกเว้นฟาเซ่ฟาซ่เห็นหมถึงว่าตกใจตรึงตื่นตระนกตื่นตระนกทุกคนเลยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ยกเว้นแม้กระทั่งคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ที่มีอิมาแหวกแรกต้องตื่นตระนกอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอ แต่สุดท้ายอลัลลอลาก็จะทำให้เขานิ่งนะอัลลอลฺจะเรียกพวกเขาย่าอิบาดีโอบาฟังฉันละเข้าฝนอะไรคุมเลี้ยวไม่มีความกลัวไม่ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเนความกลัวเรากลัวอะไรกลัวสิ่งที่จะเกิดข้างหน้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นละเข้าฝนอะไรคุมเลี้ยวอัลกัฟตวัวตร م ม يخشاه و ي ان ان ื่อว่าอย่างจำมุล่าฮุเลซาฟมกลัวก็คือกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เ ล, ลาตกลับ่าไม่ต้องกลัวเวลาอังจุมตาฮะนไม่ต้องกังวลกังวลนี่หมายถึงเรื่องที่ผ่านไปไม่ต้องเสียใจกับเรื่องที่ผ่านไปบางทีเรารู้ตัวดีว่าออตอนที่อยู่ในโดนียแม้ว่าเป็นผู้ศรัทธาก็อาจจะมีผิดพลาดมีบาปมีอะไรเป็นห่วง เรกลัวว่าอามะของเราจะน้อยไปแลต่าบอกว่าลาสนูไม่ต้องเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาฟีมามต่ลาอิลาฮอิลล์อัลลอฮมาอิัลนมินฮอุลอัลมุตเตกีนยาอัลลอฮ์ขอให้เราได้เป็นกลุ่มชนที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับกลุ่มบาของรัาลาที่พระองค์จะเรียกเราในวันนั้น ยา عبار لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تهزنون. ัลล um ัครั้นละกันนะพี่นักการบรดาคนที่ศรัทธาต่ออายาตต่ออัลกุรอานต่อองค์การของเราแลวพวกเขาเป็นคนที่นอบน้อมยอมรับเป็นมุสลิม อันนี้รวมกันนะระหว่างอีมานกับอิสลา ม, ามอัลลอฮีน่าอมานูบิอ์ยที่น่าหมายถึงอ ي م ا ن การศรัทธาซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยระหว่างคําว่าอีมานกับอิสลามถ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยเราแยกความหมายอ ي م ا ن เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องภายในเรื่องความเชื่อเรื่องการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในขณะที่อิสลามเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องภายนอกการละหมาดการทําอิบะดาห์การต่ออัลลอฮ์สุบฮานะตะละ ถ้ามันอยู่ด้วยกันในที่เดียวกันนะต้องแยกความหมายแต่ถ้าสมมติมันอยู่โดดโดดอีมานอยู่โดดโดดไม่มีคําว่าอิสลามอยู่ที่เดียวกันเนี่ยความหมายของอีมานที่มันอยู่โดดโดดเนี่ยมันครอบคลุมคําว่าอิสลามด้วยเข้าใจไหมครับมันคือเรื่องข้างในแล้วก็ข้างนอกพร้อมๆกันเพราะว่าอีมานก็รวมอามัลด้วยนะถ้ามันอยู่โดดโดดความหมายรอบครอบคลุมคําว่าอิสลามถ้ามันอยู่โดดโดดไม่มีคําว่าอีมานอยู่ด้วยก็ครอบคลุม คว่าอิมานด้วยเข้าใจไหมถ้ามันอยู่ด้วยกันต้องแยกความหมายแต่ถ้ามันอยู่คนเดียวต้องรวมความหมายของทั้งสองความหมายมาเป็นความหมายเดียวกันอัลลอฮีนอามานุนะศรัทธาอย่างเชื่อมั่นจากข้างในวกานูมุสลิมียอมรับเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮฺอัลอามัลนะครับจากข้างนอกสิ่งที่พวกเขาจะได้รับก็คืออุดรุลเจเนตะอันตุม ว่าจัวจุกุมตุบารูดเข้าไปในสวรรค์เธอมาอัลลอฮเข้าไปในสวรรค์เธอเข้าสวรรค์ไปเธอเบาของฉันอยากจะได้ยินไหมครับคานี้อัลลลลอฮฺอัลลัลออัลลอฮฺวัอฮฺอัลลอฮัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺออฮฺอัลลอฮฺอัลาอัลลอรฺอัลลอฮฺอััลอฮอัลลอฮอมมัลลอฮฺอัลัอ ควาหมายแรกก็คือหมายถึงภรรย า, าเราเข้าไปเนี่ยเข้าไปพร้อมไม่ได้เข้าไปคนเดียวเข้าไปพร้อมกับภรรยาของเราถ้าเขาเป็นผู้ศรัทธานะยกเว้นว่าในโลกดุนยาเนี่ยเราตายในสภาพศรัทธาภรรยาตายในสภาพกูฟอรก็ไม่ได้เข้าด้วยกันอัลลอฮฺอัลลอฮฺตุะถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลินต้องแยกกันอาลลอฮฺุบินละมันลาเลกเพราะฉะนั้นรักใครต้องเป็นผู้ศรัทธานจนถึงตาย เราจะได้รักกันต่อไปจนถึงวันอัปการ์นะครับอันนี้หมายถึงภรรยานิซัยอุกมอัลมุกมินะภรรยาที่เป็นมุกมินหรือบางทั f ซี r ซึ่งเป็นส่วนคำเทศสนใหญ่เนี่ยอธิบายว่านูซาโราอโกุมหมายถึงคนที่เป็นมุกมินด้วยกันอันจุมบุอัจวะยุกมผู้ศรัทธาเวลาเข้าสวรรค์จะได้เข้าเป็นหมู่หมู่เป็นกลุ่มกลุ่มเข้ากันทุกคนเป็นพวกพวกเข้าไปเลย อ่าไม่ไม่ไม่ได้เข้าแบบเงียบเงียบเงาเแอบบแอบบไม่ได้แต่เข้าไปแล้วมีการต้อนรับอย่างออเอเกริกตุบเบอรุนคำว่าตุบเบอรุนหมายถึงถูกถูกต้อนรับด้วยความเ อ, อกเริกอ่าตูเซรุนด้วยความดีใจมีคนคอยมาต้อนรับมีมาละอิกัด ม, มออกมาต้อนรับมากล่าวคําส ا م ا ل س ل ا ุน ا ล س ل ุน ا ل س อะลัยกุม สันต hey, ิแกท่านให้ซาลามต้อนรับบรรดาชาวสวรรค์ลามุนลามเข้ามาเขามาเข้อนี่คือความหมายของคำว่าถบรูดอัลลอัอัลลอัอัลลมจลน่ามินอัลสาบิลันนะลอิลัฮอิลลัลลอฮเข้าด้วยความสุขด้วยความยินดีปรินปิติยินดีปรีดาอัลลอมจลนามินอัลาบิลันน่ยี ให้ความรู้สึกเบิกบานแก่พวกเราทุกคนอินชาอัลลอ์นะครับเข้าสวรรค์ไปแล้วจะได้รับอะไรบ้างตัวอย่างเล็กๆด้อยนะนยุตอฟุอลัยหิมบิซิฮาฟมินดะฮับวะอวามีบริกรคอยมาวนเวียนเสิร์ฟอาหารในถาดซิฮาฟไม่ยถึงอธิยอารเยอะๆมินดะฮับ ถาที่ทํามาจากทองคำวัควับแล้วก็มีแก้วน้ำที่รินน้ํารสต่างๆที่อริดอร่อยอฟิฮามะเตชเตฮีฮิลอัมฟุสในสวรรค์นี้มีทุกอย่างที่ใจมันอยากจะกินอัลอัมฟุสหมายถึงข้างในเราอะอุย้ยดูแล้วมันอยากอะเมือนเวลาที่เราอยากอะไรบางอย่างในโลกดุนยายังไม่ได้กินนะ อยากแล้วเห็นแล้วโอ๊ยน้ําลายมันไหลก็แซววะนะทุกอย่างที่เราอยากจะกินมีหมดวัตตะลุลอัยุนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แค่อยากข้างในอย่างเดียวสายตาเนี่ยกร็รู้สึกสําราญรู้สึกรู้สึกอร่อยบางทีอาหารบางอย่างยังไม่ทันกินแค่เห็นก็เป็นยังไงโอ้ยอิ่มตาอิ่มใจอ่ะอิ่มใจด้วยอิ่มตาครบทุกอย่างทั้ง รสชาติที่ลิ้มลองทั้งบรรยากาศสายตาอร่อยด้วยก็รู้สึกเป็นสุขด้วยทั้งหัวใจอิ่มแล้วนะความครบเครื่องอ่าไม่ใช่แค่อาหารอร่อยอย่างเดียวแต่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมันเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ดีหมดเลยนะสังเกตดูเวลาที่เราไปร้านอาหารไปร้านที่มันสวยๆบางทีก็มีผลนะมีผลต่อความรู้สึกอะ่ะกินอาหารผัดกะเพรา ปัดกระเพาริมทางข้างถนงนถน น, นออรถเครื่องมาทีหนึ่งควันดำมาทีกับกินกระเพราเหมือนกันแต่ไปกินที่ไหนโดนซีวิวหรือไม่ก็ลงทะเลไปเลยอันไหนได้ความรู้สึกกว่ากันนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ลตาลาจะเตรียมให้เอาไว้ให้กับเราอัล a h มะอามีนนะครับในโลกอาคิระห์ในสวรรค์ แลวเราจะได้อย um ู at at uh um um ่ในนั ah ้นตลอดกาลว่าอ ah, ันตุมพีฮะข али ดุนพวกเจ้าจะอยู่ในนั้นตลอดกาล و ติลเคลันนุลลตอูริตุมฮะบมากุณทุ่มทลงนนั่นคือสวนนามีนักซีบอกว่าไอ้ต ي ب الطعام والريح وحسن المنظر อาหารที่อร่อยรสชาติของมัน กลินก็ดีแล้วก็หน้าตาสะสวยอาหารเนี่ยสวยดูหน้าก็อ่าดูรูปก็สวยบู้ามมาุลูสวรรค์ที่พวกเจ้าได้เข้ามาวันนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะอามัลของพวกเจ้าหมายถึงว่าอามัลเนี่ยเป็นสาเหตุแต่ไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยอามัลยังไงจะอธิบายยังไงไอ้ أعمال ุคุมุศัลย์ะฮะนีนะยินา فس ีร no <c energetic descriptive noises> ู <mond> ้นึกว่าศีรษะเขาแบบเบาอย่างงี้อามาลุคุมุศัลย์ะาตบันลิชุมลิรมติลลาฮิอียคุมกที่เราทาอามัลในโลกดุนยาเราลมาเราือสินอดเราบริจาคเราพูดดีเราช่วยเหลือคนอื่นอามัลความดีทั้งหมดที่เราทาเนี่ยมันทาให้เราได้รับความเมตตาจากอัลล อามัที่เราทําเนี่ยมันจะเรียกความเมตตาจากลอะตะลามาแล้วเราก็เข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของลอเราไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยอามัลของเราอามัลของเราถ้าจะเอาไปเทียบกับรางวัลในสวรรค์มันไม่พอเพราะเราอามัลแค่หกสิบปีหรือบางทีไม่ถึงแต่เราจะอยู่ในสวรรค์กี่ปี ไม่รู้กี่ปีเป็นล้านปีหรือไม่รู้กี่ปีแล้วมันพอไหมอามัมาลที่เราทำหกสิบปีจะไปเทียบกับล้านปีมันไม่พอเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่เข้าสวารรค์ด้วยอมามัลของตัวเองไม่เกี่ยวแต่อมามัลเนี่ยมันจะเรียกระหมด์จากอัลลอฮฺตะอัลามาแล้วเราก็จะเข้าสวารรค์ด้วยระหัมด์ของพระองค์เข้าใจไหมครับอ่านี้อธิบายอย่างนี้เลยอัลกัสซีรอธิบายแบบนี้เลยฟَ إ ِนَّ ه ُลَ ي َ د ْ خ ُ ل ُ لَأَيُّذِيْلُ أَحَدًا عَمَلُهُ ا อา말ของเราแต่และคนไม่ได้ทําให้เราเข้าสวรรค์กันที่แต่มาด้วยรัฐมันจะอัลลอฮ์วาล้กินดีรัฐมันทีว่าฟัลลิทีเราเข้าสวรรค์ด้วยรหฐมันบุญคุณความอารีของอัลลอฮ์ تعالى ว่อินนามะดดาร์จัดแต่ว่าอา말เนี่ยมันจะมีไปมีบทบาทอีกครั้งหนึ่งก็คือในการกําหนดว่าเราจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนเข้าใจไหมครับเนีย่ยใครที่ทํำอา말ดีที่สุด<ๆ>ก็จะอยู่สวรรค์ชั้นที่สูงที่สุด وإنما الدرجات ينال تفاؤتها بحسب الأعمال الصالحة ระดับช ال ال ั awa, u, ay ay. Ay ay ้นในสวรรค์เน nah, ี่ยที่เราจะได้รับเนี่ยรับตามอัมัลของแต่ละคนเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าเอ้าในเมื่อเราเข้าสวรรค์ด้วยพระมารดาล้วเรายูเฉยๆไม่ต้องทอมัลอะไรสิไม่ใช่มันเกี่ยวข้องกันนะันี้ ج ن ي أريتمها بما ك ن ع م หมายความว่าอามั่ของเราเนี่ยมีบทบาทในเรื่องของการที่จะทําให้เราได้รับพรหมาเจ้าอัลลอฮ์ก่อนเข้าสวรรค์และเมื่อเราเข้าสวรรค์แล้วมันจะไปกําหนดว่าเราจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนนะครับในอายตนี้สังเกตดูให้ดีนะครับพี่น้องว่าต阿拉ใช้คําว่าอูริ ي ْ س ْ ت ُ م หมายถึงได้รับมรดกได้รับมรดกยังไงสวรรค์เนี่ยเหมือนเป็นการส่งต่อเป็นมรดกมรดกก็คือคนหนึ่งตาย มรดกเหลือไว้ใช่ไหมครับอ่าพ่อตายก็ต้องเหลือมรดกเอาไว้ให้กับลูกชาวสวรรค์เนี่ยรับมรดกในสวรรค์มาจากใครใครตายชาวสวรรค์ที่เข้าสวรรค์เนี่อลอตตาลาบอกว่าได้รับมรดกตกลงได้รับมรดกมาจากใครไม่มีใครตาย <c oughs> มรดกจากอัลลอฮ์ให้กับพวกชาวสวรรค์หรืออีกความหมายหนึ่งที่เขาอธิบายก็คือว่ามรดก จากชาวนรกองคยะกุบิลละฮ์อเมนดาลิกมนุษย์คนหนึ่งอาลัตอาลาจะม <ithe> <sh> <Off> ีท <issions> ี่ให้เขาอยู่ในวันอัคยร์ทั้งในสวรรค์และในในนรกเราทุกคนจะมีที่ในสวรรค์แล้วก็มีที่ในนรกเตรียมเอาไว้แล้วตอนนี้ถ้าสมมติเรากลับไปในวันอัคยร์เราได้เป็นชาวสวรรค์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บารีมี เราอยาก a l l a เราได้เป็นชาวสวรรค์ถ้าเราเป็นชาวสวรรค์ปุ๊บที่อยู่ของเราในนรกเนี่ยละตระก็จะมอบให้ใครมอบเป็ชาวนารกไปในภาพไหมครับแล้วคนที่เป็นชาวนารกเนี่ยที่อยู่ของเขาในสวรรค์ละตระก็จะเอามามอบให้กับชาวสวรรค์นั่นแหละที่เรียกว่ามอรดดกอูริสตูมูฮะบิมาคุนตุมตะมาลูเพราะฉะนั้นอ่านี่คือภาพนะครับที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺ ผ่านอาวาสกาแล้วดังนั้นอ่ไม่อยากจะเป็นชาวนรกอต้องการเป็นชาวสวรรค์ต้องทบทวนให้มากว่าอะไรคือสาเหตุที่จะทำให้เราได้เป็นชาวสวรรค์และคุมฟีเฮคือฮาทุมแคสีรอในสวรรค์นั้นมีผลไม้มากมายอัลลอฮฺวอักุบะแค่ผลไม้ในดิเนียเนี่ยเราก็ยังกินไม่หมดนะครับไหใครไปตลาดแล้ว กินผลไม้กี่อย่างแล้วในโลกนี้จะเพาะในประเทศไทยนี่กินหมดหรือยังบางอย่างเราก็ยังไม่รู้จักแต่ไม่ต้องนับเวลาที่ไปต่างประเทศและไปเจอผลไม้ต่างๆแปลกๆในสวรรค์จะเป็นยังไงลองคิดดูบาคีฮาตุนกัซีรอห์มินฮาตกูลซึ่งพวกเจ้าจะได้กินจากผลไม้ในสวรรค์เหล่านะั้นนี่คือสวรรค์พอพูดถึงสวรรค์เสร็จมาถึงเรื่องราวของนนรกบ้าง ลาอิลล il ah ้าฮ์อิลลอห์อินนั้น Mujrimin في عذاب جهنم قاالد นบรรดาคนที่เป็นอาชญากรคนที่กระทำความผิดคนกัฟิรพวกเขาจะได้อยู่ต้องอยู่ในนรกอาบัต์จัฮันนัมการลงโทษในญัฮันนัมอย่างอาวร์ตลอดกาลละ يفتر عنهم وهم فيه مبلسون การลงโทษจะไม่มีวันลดหย่อนแม้แต่วินาทีเดียวว่าอฟีฮิมุบลิซูนและพวกเขาจะอยู่ในนั้นด้วยความสิ้นหวังสิ้นหวังละไม่มีโอกาสได้ออกมาและละอิลลัลลอฮในอายัดสุรุตุลอาลัทีราวอานลาเยมูตุฟีฮะวะลาวะลาย์ฮยาอะไรคือไม่ตายและไม่มีชีวิตสภาพของชาวนารกคือ ไม่ตายแต่ไม่มีชีวิตไม่ตายก็คืออาสาบเนี่ยหนักมากแต่ไม่สูญสลายหายไปถ้ามันสูญสลายหายไปมันก็จบก็สบายใช่ไหมไม่ต้องรับอีกแต่ไม่หจบไม่จบวารยะ ย, ยะายาวาระยะยาก็คือไม่มีเศษเซลล์แห่งการมีชีวิตในนรกเลยอาสาบทั้งหมดเนี่ยทำให้ตายได้ตลอดถ้าสมมติว่ามันโดนกับเราในโลกภุมิยาเราตสามารถตายได้เลย วลาระยะหมายถึงว่าอาสาบแต่ละอย่างนี่ทําให้ตายได้หมดแต่คนในนรกไม่ตายโดนอาสาบยังไงก็ไม่ตายนี่คือความหนักของมันักละยุฟัตตอร์อันหุมว่าหุมฟีหิมุบลิสุนว่ามาโวลัมเนหุมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะการโยเลมจากอัลลอฮฺต้าลาไหมไม่อัลลอฮฺต้าลาบอกว่าเราไม่ได้โยเลมเ้านะที่เขาต้องเข้านรกเนี่ยไม่ใช่เพราะเราอัตอมกับเขา ว่าล่ะคิดแกนุ่มของซแต่พวกเขาเป็นคนซาลีมตัวเองเป็นคนดื้อเราบอกเขาหรือยังบอกแล้วเราอธิบายหรือยังบอกแล้วอธิบายแล้วมีรอซูลมายังเขาหรือยังมาแล้วมีอัลกุรอานมายังเขาหรือยังมาแล้วเขาไม่ฟังเขาปิดผูเขาปิดตาเขาดื้อดึงเขาล้อเลียนเขาเย่ะเยอะว่าไปพยายามทุกอย่างทุกวิธีทางสุดท้ายก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ซาลีมเขาเลย เขาโซ่เหล็มตัวเองด้วยความที่ว่าหนักหนามนนากดาวนรกเนี่ยสุดท้ายต้องออกปากเรียกมาลาอิกาที่เฝ้านรกวอนาโดยาแมลิกยาแมลิกชื่อ ม, มาลาอิกะที่เฝ้านรกพวกเขาเรียกมาลาอิกาที่เฝ้านารกว่าวยาแมาลิก โอ้มาลิกจำเมาไว้นะครับมาลากับที่เปานรกชื่อว่ามาลิกลิยคขุดีอะลไลนะรับบกบอกพระเจ้าของท่านหน่อยให้พระองค์ทําให้เราสลายไปเถิดไม่ไหวแล้ะอันนี้เนี่ยบางรายงานบางทศเสียบอกว่าอิบนาอับบาสนะท่านบอกว่าเมคซาอัลฟเซเนติน อ่าอินนักุมมักิซูนทุบมากลาอินนักุมมักิซูนชาวนารกเนี่ยอยู่หนึ่งพันปีกว่าจะร้องขอจากมาล็กหมายถึงว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆแล้วอัวลลอฮ์อลลอฮร้องขอจากมาเล็กให้อัลลอฮ์ตาอัลละทำให้เขาหายไปนะครับไม่อย่างไม่ไหวละ แต่เราแต่เราก็ตอบเขาไปอินตอบพวกเขาไปนะว่าอินกลุมมกีู่นพวกเจ้าจะต้องอยู่ในนี้ตลอดไปไม่มีทางออกมาได้อลัยท๊ฟรืลลอฮฺอะตุบิลละอัลลอฮฺไม่นานเาจะไปคุนินลก็เจ้านักุมนระนลฮคตนนมก ขารีหูมีฮะดิษนักขับฮะดิษจากอิมามุลบุคฮรีเรย์แนชารอิบนะอบีอับนูยะเละอันอบีหีรด้วยอัลลอฮฺว่าห์นะุุุวาา์าวานหน่่าน่านห์นน่่าน่นา์ นะครับอัยล ا ย ن, ن ف ا ن ى ي ف َ ر ารวาห์เราฟยูริห์เ فإنهم كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وقال عز وجل ويتجنبها ا ل أ ش ق ى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ولمَّا سألوا أن يموتوا أجابهم مالك อลลอฮินนาหุม nah, ักิสูอินนาคุมากิสูนะอายัดนี nah, ai, ้เหมือนที่ผมบอกไว้นะครับว่ามันมีอายัดที่อธิบายแล้วยู่รออะไรเห็นหมายถึงไม่ตายไม่ใช่จัดการจนตายเวลาอยุ่ขั้ฟ้ฟ้อันหุ่แต่อซาบก็ไม่เคยลดนะที่ไม่ตายไม่ใช่เพราะอซาบลดนะไม่ตายเพราะว่าละตะลาไม่ให้ตายอซาบไม่ได้ลดนะอัลลอฮฺอักบาร์นะฮาวลาวะลาห์กุรอต์อิลลาบินะ النار الكبرى นี่สุรทูละอาลัยอะลัยชาฮิกะมูอันนารัลลติยาซลันนาร์ลคุบรานรกที่ใหญ่มากละ حول ولا قوتا إ ل َ ا ب َّ ا ه ِ د نَّا َ ا ه ِ د ที่พวกเขาก็ต้องอยู่ในนรกนี่เป็นเพราะอะไรนี่ไง لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ إِيْ بِيَنَّاهُ لَكُمْ أ َ و َ ض َ ح ْ ن َ ا ه َُ ف َ س َّ ر ْ ن َ ا ه ُ เราอธิบายทุกอย่างแล้วมาทุกอย่างแล้วความจริงอัลตัล่าเอาความจริงมาทุกอย่างแล้วในอัลกุรอานของพระองค์อ่านเพนนบีซัลลัลลอฮฺอัลเลาะห์ยุสเซลัลัม ولكن أكثركم ก ل ح ق ك ا ر ع น ن the book towner รังเกียจความจริงยอมรับความจริงไหมไม่ยอมรับความจริงเกลียดความจริงไม่ยอมฟังความจริง อัมอบรามูอัมรอนฟะอินนามุบริมูนไม่ใช่แค่ไม่ยอมรับนะยังวางแผนอบรามูอัมรอนหมายถึงอะไรครับวางแผนวางแผนอะไรวางแผนในการต่อต้านวางแผนในการที่จะปลิดชีวิตท่านนาบีสลัลลัลลอฮฺอะไรวะสันละไม่ใช่แค่ไม่เชื่อแต่ยังวางแผนที่จะทําร้ายท่านนาบีทําร้ายบรรดาผู้ศรัทธาซึ่ง สมควรที่จะได้ชื่อว่าอัลมุจริมูลคนที่กระทาความผิดในอายัดตอนหน้านี้อัลลอฮฺตรัสว่าอินนัลมุจริมีเป็นมุจริมนะครับเป็นคนที่ก่ออจฉญากับอัมอบราฮมอัมรัวางแผนอย่างดีที่จะทําร้ายท่านนบีสุลลัลละสัลลัมซอินนัมุบรีมูลถ้าพราเขาคิดว่าพวกเขาวางแผนที่จะทําร้ายท่านนบี ลอตเตอรลาเขบอกว่าอินนโมบริมูนราก็วางแผนสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดามุชริกีในวันอาครานี่เกิดมาจากการที่ลอตเตอรลาเตรียมเอาไว้สําหรับพวกเขาไว้แล้วตั้งแต่โลกดุนยาเพราะพวกเขาไม่ยอมรับอ่านี่คือสิ่งที่พวกเขาทําจริงไหมถามว่าจริงไหมใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆอัมยักษบุญหรือพวกเขาคิดว่า คาดเดาไปว่าอันนัลนะนสมาอือ ร, รหมเราเนี่ยไม่ได้ยินความลับของพวกเขาใช่ไหมคิดไปเองนะตอนแรกคดีแรกก็คือคดีวางแผนชั่วคิดว่าอัลลอฮฺแตาลาไม่รู้แต่ละแต่าละาก็าวังแผนตอบกลับไปอันที่สองยาสบูนันนันละนสมาอือ ร, รหมคิดว่าอาัาลลอฮฺไม่ได้ยินสิ่งที่พวกเขา พูดอยู่คนเดียวซิ ร, ร์ฮอมตรงนี้หมายถึงพูดคนเดียวเก็บความลับไว้คนเดียววานาจุอาฮอมหมายถึงสิ่งที่พวกเขาคุยกันมากกว่าหนึ่งคนคุยกับเพื่อนคุยกับพักพวกเงียบเงียบลับลบคุยกัน mm. อัสซิ ร, รุหมายถึงอะไรนะ <c oughs> อัะอสซิ ร, รุอ <c oughs> ันี้มีหฮะดิสุมมาอัมฟุสิฮิ anjwa ไม่ได้คุยกันกับคนอื่น คิดว่า Allah Taala จ ะ, ะไม่รู้แน่นอนว่าไม่ใช่บาลาไม่ใช่อย่างนั้นว a r u s u l u นาจะได้เหยนวตุบูตรชุดของเราก็คือบันดาลมาอิกะบันดาลมาลิก ะ, ะนี่อยู่กับพวกเขาตลอดจดเรื่องราวต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆสิ่งที่พวกเขาพูดสิ่งที่พวกเขาคิดอยู่ตลอดทุกอย่างไม่เลยเล็ดรอดไปจากการบันทึกของ Allah Taala นะฮะ วะทาละอัลลอฮุอะลลอฮิระมาอนี้นะครับเป็นอายะตกลุ่มอายะที่ ala, อัลลอฮฺละอัติบายภาพของวันเยคมัดเอาไว้โดยสังเขตเพื่อเรียกความสนใจของบรรดาคนที่ดื้อดึงจากหมู่มุชริกีนให้ระหนักว่าวันนี้พวกเขาอาจจะดื้อดึงได้อาจจะดื้อรั้นได้แต่สุดท้าเวลาที่กลับไปอัลลอฮฺสุบไอนาวะอาละก็ทะจริงแล้วนี้จะถูกพิสูจน์ด้วยตัวเอง นะฮะบน้าอุบุลลาห์ลาพาวล์และลาควอตอิลลาห์บลาพาวล์แะลาควอตอิลลาบนลลาห์น้าอุบุลลาห์จานั้นเราอ่านอ่านออนนานอ่าอ่านนานอ่านนาอนนาอนนานานนนออนาอานานานอาานนนาอาานนาาาน่อา ปฏิบัติตามคสั่งของละตาาให้ดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องเจอกับสภาพที่น่ากลัวอย่างนี้นะครับละตาาพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันขี้ามันอินชาอัลล์นะครับอัลลอ تعالى عالم و ف ق الله ي ا ك م لما ي ح ب ويرضاه ص ل الله على نبينا محمد ع ل ى آله و ص ح وسلم ب ح ا ن ر ك رب العزة م ا ي س ي ف و ن س ل ا م ع ل ى ا ل م ر س ل ي ن ا ل ح م د ُ ل ل ه ر ب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل س ل ا م َ ع ل ك م و ر ح ا ل ل ه บุ a ุษ